เพราะท่านกล่าวว่ารูปที่ครอบงําจิตใจของชายนั้นก็คือรูปของสตรีสตรีนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะร้องไห้จะหัวเราะแม้กระทั่งตายแล้วก็ยังเป็นที่รึงรัดจิตใจของชายอยู่นี่ระหว่างอิทธิพลของหญิงที่มีต่อชาย ส่วนผู้ชายที่มีแต่หญิงก็เช่นเดียวกันย่อมจะเป็นวิสุภาฆะกันอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าถ้าเราจะไปเจริญสภุภกรรมฐานในทราบุดของหญิงภิกษุก็ต้องสมรวมจิตให้มั่นคงว่าเราจะไปเจริญกรรมฐานจิตใจจะต้องไม่วอกแวกอินทรีย์ทั้งหกประการเนี่ยต้องมั่นคงอย่างที่สุดและพร้อมกันั้จะต้องไม่วางไหว ด, ด้วยด้วยสิ่งแวดล้อม จะเป็นเสียงใบไม้พัดเสียงไม้เสียดสีกันหรือเสียงอะไรที่มันน่าหวาดเสียวหวาด ก, กลัวขึ้นจะต้องไม่หวาด ก, กลัวทั้งนั้นจะต้องมีจิตมั่นคงเพราะถ้าหากว่าอินรียเสียงไม้เสียดกันลั่นดังเอี๊ยดขึ้นหวั่นหายแล้วขวนลุกชูชานแบบผีหลอกแล้วผลสุดท้ายก็ต้องโกรย์อ้าวกลับวัดไม่ทําได้เจริญกรรมาฐานเนี่ยท่านจึงสอนใ ห, ใ ห, ให้มีสมาธิให้มั่นคงเสียก่อน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 และประการที่หกโดยปริเขศที่ว่าให้เพ่งโดยสีก็คือสีของศพศพนั้นเป็นสีขาวหรือสีดำเขียวคราำหรือสีอะไรต้องกำหนดสีให้ได้ก่อนโดยเพศก็คือศพนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายโดยสันฐานก็คืออ้วนหรือผอมศพที่เราไปเพ่งเนี่ยรูปร่างอ้วนไหมผอมไหม โดยทิศก็คืออยู่ทิศทางไหนโดยโอกาสก็คือโดยฐานที่ที่อยู่สิ่งแวดล้อมโดยบริเฉดก็คือศพนั้นเป็นท่อนหรือเป็นอะไรเราจะต้องกําหนดสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ไว้โดยละเอียดเมื่อกําหนดโดยละเอียดแล้วเราจึงเพ่งจึงไปเจริญอสุภะกรรมาฐานนั่น ทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันในตอนนี้ก็คือก่อนที่จะไปเพ่งเนี่ยศพที่จะเป็นสปายะแก่จริตของบุคคลไม่เหมือนกันเพราะว่าจริตของคนเนี่ยต่างกันอสุภะบางอย่างไปเจริญแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็มีเพราะว่าจริตของคนเนี่ ย, าาย ม, ย ม, นนยมีไม่เหมือนกัน เหมือนกับบุคคลที่จะไปเจริญกระสินก็ต้องพิจารณาถึงจริตก่อนว่าคนเนี้มีจริตอะไรจึงจะเจริญกระสินแบบไหนได้ผลจากการไปเจริญกระสินแม้การไปเพ่งอสุภาษทั้งสิบประการนี้ก็เหมือนกันอสุภาษทั้งสิบประการเนี่ยจะเป็นสตายกแก่บุคคลที่ไปเพ่งไม่เหมือนกันอีกถ้าบอกว่าอย่างอุทธมาสกะอาอสุภาษเนี่ยตกที่อขึ้นพอง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 ีนคนประเภทเนี้ยต้องไปเพ่งกรรมฐานประเภทอุทมาตะกัดคือถ้าเพ่งอุทมาตะกัดแล้วกรรมฐานอันเนี้จะจะประกาศถึงความวิบัติของสวนทรงว่าคนเนี้ถึงจะมีเอวเท่านั้นอกเท่านี้สะโพกเท่านั้นแต่พอเน่าแล้วก็พองอื่นเหมือนกันอาการพองอื่นของทราศบศพเนี่ยประกาศความวิบัติของสวดทรงว่าสวนทรงทั้งหลายที่เราวัดกันว่า ปีนี้ท่านั้นเท่านี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ปีนี้เอลจะเพียงยี่สิบสามแต่ปีหน้าอาจจะเป็นสามสิบสามก็ได้ไม่แน่ฉะนั้นถ้าหากว่าสกที่พองแล้วคนที่นิยมในสวนทรงวัดเราจะต้องชอบคนสวดทรงอย่างนั้นอย่างนี้ความวิบัติของสวทรงเนี่ยจะปรากฏให้เห็นวันมาตายแล้วทรงเหล่านี้ก็หายหมดจะเป็นทรงอะไรก็ตามก็หายหมดเพราะความเน่าพองของศพ เนี่ยประกาศความวิบัติให้อุทมาสก่าอสุภากรรมฐานนั้นจึงเหมาะแก่บุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวกับเรื่องสวดสง่งมีความนิยมในเรื่องสวดสง่งทีนี้ถ้าหากว่าเป็นวินีละกะอสุภาษทราบศกที่เขียวคร้ำทราบศบประเภทนี้เป็นสปายะแก่บุคคลผู้มีความนิยมใน ในสีของสรีระในสีของสรีระเนี่ยหมายถึงว่าคนนิยมว่านิยมว่าคนที่เราชอบหรือคนที่อยู่ในรสนิยมของเราจะต้องเป็นคนออชอบสีนั้นสีนี้เช่นจะต้องย้อมผมสีนั้นจะต้องย้อมผิวกายเป็นสีนี้อะไรต่างๆนี่นิยมสีในร่างกายหรือนิยมเครื่องประทินผิวต่างๆ ว่าควรจะใช่เครื่องปะทินผิวอย่างนั้นอย่างนี้จิงจะถูกถูกอกถูกใจของคุณคนนั้นของคุณคนนี้แล้วพยายามที่จะฉาบทาผิวต่างๆสีต่างๆ mm hmm. บุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวกับสีหรือเครื่องฉาบทาในศรีและร่างกายนั้นถ้าไปเจริญประเภทวิณีละกะอสุภะแล้ววิณีละกะอสุภะเนี่ยจะประกาศความจริงให้เห็นว่าสีต่างๆนั้นเมื่อตายแล้วมันก็วิบัติไปหมด พอศกจะเน่ามันก็จะเขียวคร้ำอย่างนี้สีที่สวยงามเนี่ยก็หายไปหมดบุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวกับเรื่องสีนั้นก็เจริญศบประเภทเนี้จึงจะเป็นสปายะสอบกันแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ บ, บุคคลที่มีความนิยมเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ทีนี้ทราบศกที่เป็นวิสุพพกภักดคือศกที่มีหนองแปกท้าย ธรรมนาบุคคลบางประเภทเนี่ยนิยมในกลิ่นเช่นนิยมว่าคนที่อยู่ในรสนิยมของเราจะต้องใช้กลิ่นน้ำหอมประเภทนั้นเช่กลิ่นน้ำหอมประเภทนี้แต่กลิ่นน้ำหอมประเภทอื่นก็ไม่ชอบใจชอบห้ชีชงกลิ่นน้ำหอมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อไปเห็นศพประเภทวิ ป, ปุะกภะแล้ววิปุะกภะเนี่ยจะประกาศถึงกลิ่นที่แพ้ออกมา ว่าแม้เราจะใช้กลิ่นอะไรก็ตามเถอะพอตายแล้วกลิ่นก็เหม็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าอุปภการนี่เป็นเป็นทราติศพที่หนองไหลออกมาน้ำหนองนั้นย่อมเหม็นอบอวนอยู่แล้วระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี๋ยเราจะใช้น้ําหอมพยายามชโลมร้ายร่างกายให้หอมสักเพียงใดแต่เมื่อตายแล้วก็เหม็นอย่างนี้ประกาศกลิ่นที่แท้ว่ากลิ่นที่แท้จริงของคนแต่ละคนน่ะเป็นกลิ่นอย่างนี้ สนกิ่นอย่างนั้นเป็นกลิ่นชั่วคราวที่เรามาฉาบคากันเท่านั้นก็เป็นสปายะแกแต่บุคคลผู้มีจริศอย่างนี้หรือมีรสนิยมอย่างนี้สําหรับประเภทที่สี่คือวิจิตกรกรรมศพที่ขาดศพที่ขาดพ่ายไปเช่นศพที่แตกร ก, กระจัดกระจายเนี่ย สบประเภทนี้เหมาะกับบุคคลผู้มีความกำหนัดหรือรสนิยมเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเนื้อเช่นระหวางที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยชอบชอบบุคคลที่ที่จะถูกใจตัวเองว่าจะต้องมีก้อนเนื้ออย่างนั้นมีก้อนเนื้อตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนี้นิยมที่ก้อนเนื้อ และเมื่อถึงคาวจริงๆค้าวไอ้ก้อนเนื้อที่จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันก็กระจัดกระจายให้เห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่จะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอน้อนเช่นเนี้ต่อไปได้ต้องกระจัดกระจายเป็ น, นที่สุดก็เป็นสปายะแกะ่บุคคลผู้มีความกำนังในเรื่องนี้ส่วนอัสุธาตามรถามประเภทที่ห้าวิถายิจกัดคือศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่นกินศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินเนี่ย จะเป็นซ้าศพที่กระจัดกระจายหาชิ้นดีไว้ไม่ได้ในร่างของศพขาดรุ่งริ่งไปหมดศพประเภทนี้เป็นส ป, ปายะาแกบุคคลผู้มีความกำนักในความโนูนของสรีระร่างกายเช่นอย่างที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ นิยมในส่วนสัดของร่างกายตรงนั้นจะต้องโตเท่านั้นตรงนี้จะต้องเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยบุคคลประเภทเนี้ต้องไปเจริญศพประเภทนี้พอเห็นท่าศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกระจัดกระจายแล้วก็จะประกาศให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ตนเองนิยมนั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรขอสุดท้ายก็แตกกระจัดกระจายไปอย่างนี้ทั้งสิ้นเนี่ยเหมาะกับบุคคลผู้มีความรู้สึกเกี่ยวกับ บุคคลที่ตนเองนิยมว่าจะต้องเป็นบุคคลประเภทไหนป ร, ประเภทที่หกที่เรียกว่าวิคิตตะกะอสุภะวิคิตตะกะอสุภะนี้หมายถึงศพที่เรียร่าศพที่เรียรารยราคือศพที่กระจัด ก, กระจายจะกระจัด ก, กระจายเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามย่อมสปายะแกบุคคลผู้ที่นิยมในลีลาของอวัยวะ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 ถึงรีลาในอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลสุดท้ายก็ต้องแตกสลายไปในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่เป็นของถาวรประเภทที่เจ็ดหัตวิตกคือศบที่ถูกฆ่าและประสกเรียระตัวแปรวนี้เหมาะกับบุคคลผู้ที่มีความนิยมในความพร้อมูลแห่งสรีระ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 และเมื่อแตกกระจายแล้วก็จะเห็นความข้อมูลอันนี้อยู่ตลอดไปไม่ได้เลยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเหมาะกับบุคคลประเภทนี้คือประเภทที่เจ็ดอสุภาพประเภทที่แปดคือโรหิตตกะหมายถึงศพที่มีเลือด ก, กําลังไหลออกตามพวารต่างๆศพที่กําลังมีเลือดไหลออกตามทวารต่างๆนี้เหมาะกับบุคคลที่นิยมบุคคล ที่มีรสนิยมในเรื่องของการแต่งกายในเครื่องประดับประดานหรูหราว่าคนที่เราชอบนั่นจะต้องเป็นคนแต่งตัวเก่งจะต้องมีอะไรต่ออะไรเนี่ยประดับประดาร่างกายมากมายออที่คอจะต้องมีไขมุกกี่พวงเหล่านี้มีสร้อยมุกกี่พวงที่หูจะต้องมีต่างหูเท่าไรยาวสักเท่าไรเครื่องประดับประดานต่างเหล่านี้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 แต่ปัจจุบันนี้หาได้ยากอสุภาะในปัจจุบันนี้อยู่ในฐานะเป็นพิธีการเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูปร่างกายว่าอันเนี้ยเป็นของเราเส้นมีความยึดมั่นหลานี้ต้องเป็นของเราใครจะมาแย่งชิงเอาของของเราไปเนี่ยไม่ได้อย่างความยึดถือในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าเราเห็นคนที่ตาย แล้วก็กําลังถูกหนอนชอนชัยอยู่ก็จะเห็นว่าโถให้สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยความจริงมันไม่ใช่ของเรานอนอยังเป็นเจ้าของเลยอย่าว่าแต่คนมาใชัยเลยนอนมันก็ยังใชัยได้เราจะไปยึดถืออะไรมากมายถ้าเรายึดถือว่าเป็นของเราใครจะมายุ่งมาได้แมนจะมาชัจะมาเกาะอะไรไม่ได้แต่ตายจริงๆรงนอนชัยเต็มไปหมดเราก็จะได้ไม่ยึดถือมากนะักว่าแม้แต่หนอนมันยังใชัยได้เลยเป็นของเราที่ไหน ของคนอื่นแผลนอนเองยังเป็นเจ้าของอย่างนี้ความยึดถือในความเป็นศัพท์เป็นบุคคลหรือในความเป็นตัวเป็นตนตนั้นก็จะลดน้อยลงส่วนประเภทที่สิบคืออัติกาอัิกาหมายถึงการไปเท่งเอาโครงกระดูกเป็นอารมณ์สตายะแก่บุคคลผู้ที่มีทันต์สมบัติผู้ที่มีความนิยมว่า คนนั้นจะต้องมีฟันสวยฟันจะต้องเรียบอย่างนั้นอย่างนี้จะนิยมแต่ถึงดาวตายจริงๆก็ลองดูบ้างสิว่าจะสวยแค่ไหนฟันที่มีอยู่ก็หลุดเหลือแต่เบ้าตาโบรเป็นโครงกระดูกอยู่อย่างนั้นคนที่นิยมเกี่ยวกับเรื่งองท่นตาสมบัติเหล่านี้ก็จะได้รถความนิยมลงอสุภาษิตนี้จึงเป็นสปายะ แก่จริตของบุคคลแต่และบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวเป็นเป็นหลักวิธีปฏิบัติในอสุภะกรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วก็ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านกอมารุจนณาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่บุคคลที่มีศรัทธาที่จะเจริญสุภะกรรมฐานนี้ไว้ในสมาธินิเพศ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 การบรรยายวิสุทธิมรรคในวันนี้จะเริ่อมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติที่ท่านได้วางไว้ในสมาธินิเทศต่อจากเรื่องของกระสินเรื่องกระสินนั้นได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจมาบ้างแล้วขอสมควรว่าหลักการเจริญกระสินในพระพุทธศาสนานั้นได้มีหลักการอย่างไร ตลอดจนวิธีการที่จะไปเจริญกระสินได้มีวิธีการอย่างไรบ้างนอกจากกระสินสิบประการดังที่ได้อธิบายมาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วครั้งหนึ่งยังมีหลักธรรมะปฏิบัติที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิได้อีกหมวดหนึ่งคือการเจริญอสุภกรรมฐานถ้าพูดถึงเรื่องของอสุภกรรมฐานแล้ว โบราณย่อมจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่ากรรมฐานประเภทนี้มีหลักปฏิบัติอย่างไรเพราะในสมัยโบราณ น, นั้นพระเถระท่านนิยมเจริญอสุภาษกรรมฐานมากแต่ปัจจุบันนี้หาได้ยากอสุภาษในปัจจุบันนี้อยู่ในฐานะเป็นพิธีการเป็นส่วนใหญ่เช่นอย่างพระสงฆ์สัตว์ประกอชักบังสกลุลก็เรียกว่าจเจริญอสุภาษกรรมฐานเหมือนกัน แต่ว่าเป็นกรรมฐานประเภทแบบพิธีการเช่นอย่างท่านทั้งหลายได้อรัตนาผิสงสถาปกรณ์บางสกุลจะเป็นบางสกุลอัฐิหรือบางสกุลศพก็ตามนั่นเป็นเรื่องของวิธีการโดยที่กระสมก็ไม่ได้เห็นธาตุศพไม่ได้เห็นกระดูกเลยแม้แต่น้อยทั้งนี้เพราะว่าคนตายในสมัยปัจจุบัน กับคนตายในอดีตนั้นมีฐานะต่างกันสมัยก่อนประชา้ายังไม่เจริญเหมือนอย่างประชา้าในปัจจุบันนี้ประชา้าในปัจจุบันนี้มีตึกอยู่หรูหราเหมือนกว่าในสมัยก่อนมากในสมัยก่อนยังไม่มีตึกอยู่คนตายก็ต้องนอนเตดกา ก, กตามโคนต้นไม้ตามปา่าซึ่งก็เป็นที่อุจาาตามากหรือมิฉะ่นนั้นก็ต้องไปนอนอยู่ใต้ดิน มีการฝังกันในปา่าช้าแต่ในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้จากป่าช้าในพระนครกรบุรีบางวัดที่มีอุตสาหกรรมเรื่องเผาผีเจริญรุ่งเรืองก็จะเห็นว่าป่าช้านี่สวยสดงดงามมากบางทีนมีตึกตั้งสี่ชั้นห้าชั้นนอนเรียงขึ้นไปก็ยังแน่นไปหมดแต่ในสมัยก่อนนั้นคําว่าปา่าช้าก็เป็นป่าช้าจริงๆเพรา ครับเป็นไปได้ต้นไม้ร ก, กรุงรังน่ากลัวไม่เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ป่าชา้าไม่ใช่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวเหมือนกับในสมัยก่อนเราอาจจะไปเดินเล่นในป่าช้าได้อย่างสบายโดยไม่นึกกลัวผีท่านยังไปสถานที่เพลิดเพลินหรือได้ซ้ําไปแต่ในสมัยก่อนนี้คนที่จะเข้าป่าช้าไม่ใช่คนดี ต้องเป็นโจรผู้ร้ายที่หลบหนีคดีอาญาต่างๆนั่นแหละจึงจะไปอยู่ในป่าช้าหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องเป็นพระภิกษุผู้เค่งต่อกรรมฐานมีสมาธิสูงนั่นแหละจึงจะสามารถไปปักโปรดนอนในป่าช้าได้ในปัจจุบันนี้สภาพเชนั้นหายไปหมดฉะนั้นการเจริญอสุภกรรมฐานในปัจจุบัน จิงอยู่ในรูปของพิธีการมากกว่าที่จะให้เกิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะถ้าจะให้เกิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วก็ไม่สามารถจะทำอารมณ์เช่นนั้นให้เกิดได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นทราบศพคนตายมองไม่เห็นกระดูกมองไปเห็นแต่โลงที่ใส่ศพลูหลาเต็มด้วยเครื่องประดับประดาต่างๆมันไม่เป็นอารมณ์กรรมฐาน ทำให้พระที่ตรงกรรมฐานอยากจะตายวันตายพุ่งสียได้ซ้าไปก็ตายแล้วได้นอนโลงสวยๆหน้าตายเหลือเกินบางแห่งก็ประดับประดาเสียจนหรูหราอารมณ์กรรมฐานก็ไม่เกิดดูไม่จะเกิดเป็นโลภะสียได้ซ้าไปฉะนั้นาการเจริญอกุภาะกรรมฐานในปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ค่อยปรากฏเหมือนอย่างในสมัยก่อนในสมัยก่อนนี้คนตายที่ ไปทิ้งไว้ในป่าชามีมากเรานึกย้อนไปเมื่อประมาณตั้4สี่สิบกว่าปีห้าสิบปีกั่ห้าสิบปีที่ล่วงแล้วเอาแค่ป่าชาวัสเกตคนเก่าๆ เ, เล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อห้าสิบปีล่วงแล้วที่ป่าชาวัสเกตนี้เป็นป่าชาจริงๆมีแรงลงมากใกล้ๆภูเขาทอง ที่ปลูกตึกกันมากมายในปัจจุบันนี้ราชตกนีแยะพระสงฆ์สมณเณรที่อยู่วัดมหาธาตุวัดพระเชษฐสุพลวัดราชบดชิีหรือวัดชนะสงครามอยู่บริเวณใกล้ๆอาณาบริเวณนี้พอถึงวันพระจะต้องไปตรงกรรมฐานที่ป่าช้าวัชเกเดินเดิ น, ดนไปต ร, ตรงกรรมฐานกันนี่รพระเจดคุณสมเด็จพระวันรัตน์วัดพระเชษฐสุพลองค์ปัจจุบันเนี่ย ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าการเจริญวัคุภากรรมฐานในสมัยที่ท่านเป็นเมนท่านเคยไปเพ่งบ่อยๆที่ป่าช้าวัสเกตและทุกวันพระจะมีญาติโยมนำน้ำน้าอ้อ ย, น, ออยน้ำปานะประเภทต่างๆไปคอยถวายพระเนนที่ไปปรุงกรรมฐานพอพระเม น, นปรุงกรรมฐานเสร็จออกมาแล้วก็ถวายเครื่องดื่มเหล่านี้แก่ทิษศุกสมณเมน บางคนก็เอาจีวรไปวางไว้บนศกแล้วก็ให้พระท่านไปชักบางสกุลเวลากลางคืนที่มีบางท่านทดลองสมาธิของพระสงฆ์ว่าจะมีสมาธิแก่กล้าหรือไม่ก็เอาศบไปวางทำแบบกระดานศพคือนอนหงายแล้วก็อาผ้าใส่จีวรวางไว้บนมือของศก เวลาพระคุนจะไปพักชักบังสุกุลท่านจะเหยียบกระดานแผ่นนี้ที่จะเอมือไปหยิบศพก็จะยืนขึ้นถ้าพระองค์ใดไม่เคยสมาธิไม่กล้าแข็งก็ต้องรีบโตยอ้าวออกมาจากป่าช้าไม่ทันถ้าองค์ไหนสมาธิดีก็ยืนชัดบังสุกุลไปเอาไปเหยียบกระดานแล้วศพจะค่อยๆหงายขึ้นตั้งแล้วพระจะเอามือจับจีวรที่ผาดไว้บนมือของคนตาย แล้วจะเดินออกมาศพแล้วก็ล้มปาดลงไปเนี่ยเล่นกันไปแปลกแบบนี้ท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นเรนท่านก็ไม่ได้ไปตัป้งใจปรุงกรรมฐานกรรมฐานอะไรหรอกอยากจะฉันน้าปานะต่อไปเสร็จแล้วก็กลับมาฉันน้ำปานะแต่บอกสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่นักว่าจะเกิดประโยชน์อะไรแต่เมื่อศึกษาซึ่งกรรมฐานข้อนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ว่าการเจริญสุภาพกรรมฐานเนี่ยมีประโยชน์มากมาย ได้ช่วยให้สมาธิจิตดีขึ้นและช่วยให้เกิดปัญญาหลายอย่างเพราะคำว่าอาสุภะอสุภะนี่แปลว่าไม่งามกรรมฐานที่ไม่งามเราเรียกกันว่าอาสุภะกรรมฐานก็คือจะต้องไปเพ่งไปกำหนดถึงสิ่งที่ไม่งามทั้งนั้นเป็นอารมณ์การที่ไปเพ่งกาหนดในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเป็นอารมณ์ในที่นี้ก็คือเพ่งถึงธาตศพ ท่านได้จาแนกกรรมถามประเภทเนี่ยไว้ถึงสิบอย่างเพราะว่าศพของคนตายเนี่ยมีอยู่สิบประเภทด้วยกันศพของคนตายประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุทธมาตกะอสุภาษอุทธมาตกะอสุภาษเนี่ยหมายถึงซากศพที่กําลังขึ้นทองศพที่กําลังทองเช่นอย่างศพของคนที่ตายไปประมาณหนึ่งวันสองวันเนี่ย จะพองขึ้นที่ว่าก่อนจะเน่าจะมีน้ำเหลืองทะลักออกมาเนี่ยจะพองขึ้นก่อนอย่างนี้เรียกว่าปุดทมาตกะอสุภะนี่ยประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองวินีละกะอสุภะค า, าว่าวินีละกะอสุภะนี้หมายถึงทรากศพที่กําลังเขียวเขียวช้าคล้ายๆกับศพที่ถูกว่าผ่าหรือศพที่กําลัง จะเน่าอยู่แล้วศพนี่จะแปลสภาพเป็นสีเขียวสีคล้ำก่อนศพที่เขียวคล้ำอย่างนี้เรียกว่าวิมีละกะปอสุภะประเภทที่สาวิปุปกะอสุภะคําว่าวิปุปกภะอสุภะในที่นี้หมายถึงธาตศพที่หนองพายท่านเชื้คำว่าหนองไทยก็หมายถึงธาตศพที่กําลังและเบนหนองหนองกําลังแตกกระจายออกไป คือเมื่อมันพองมากเน่ามากแล้วก็จะมีหนองเนี่ยกระจายออกทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าวิสุกภะกัอสุภกรรมฐานเป็นประเภทที่สามประเภทที่สี่วิชิตกะคําว่าวิชิตกะอสุภาษนี้หมายถึงซากศพที่ขาดวิ่นซากศพที่ขาดวิ่นเนี่ยเช่นอย่างศพที่ถูกรถชนหรือซากศพที่ถูกควันถูกตัด อย่างนี้ก็ขาดก ร, ระจายไปทราบศชนิดนี้เรียกว่าวิชิตกะอสุภาประเภทที่ห้าเรียกว่าวิขายิตกะคําว่าวิขายิตกะอสุภาในที่นี้หมายถึงศพที่ถูกสัตว์กำลังยื้อแย่งกันสินหรือกําลังกัดกําลังขบอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิขายิตกะประเภทที่หก วิถิตกะวิถิตกะอสุภพหมายถึงท้าบศพที่เรี่ยราดจะเรี่ยราดเพราะว่าถูกรบชนกันเรี่ยราดก็ถูกระเบิดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยเรี่ยราดกระจัดกระจายอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิคิตกะอสุภพกรรมฐานประเทศที่เจ็ดตะวิคิตกะ คำวาหตตาด้วิกิดตะกะอสุภาษในที่นี้หมายถึงศพที่ถูกฆ่าศพที่ถูกฆ่าแล้วก็ตกอยู่เรี่ยราดทั่วๆไปหรือศพที่ถูกทำร้ายเช่นถูกยิงด้วยระเบิดหรือเดือดตืนใหญ่เมื่อถูกเขาแล้วก็ร่างตะเละกระจัดกระจายไปอย่างนี้เรียกว่าหาตาัตตาด้วิขีดตะกะอสุภากรรมฐาน ทศพประเภทที่แปดเรียกว่าโรหิตกะคำว่าโรหิตกะในที่นี้หมายถึงศพที่มีเลือดที่มีเลือดไหลออกจากศพศพที่มีเลือดทะลักออกมาจะเป็นเลือดออกทางปากทางจมูกทางหูหรือทางใบทางนงก็ตามเรียกว่าโลหิตกะประเภทที่เก้าวิสุขภะวิสุขภะอสุภะกรรมฐานนี้ หมายถึงทราบศพที่กําลังสูบนอนชอนชัยเช่นศพที่เน่าแล้วก็มีนอนเนี่ยกําลังชัยจะชัยจมูกชัยหูชัยปากหรือจะชัยส่วนใดส่วนหนึ่งทราบศพก็ตามจะมีนอนขึ้นเต็มไปหมดอย่างนี้เรียกว่าสุรุวกักสุรวุวักอสุภากรรมฐานประเภทที่สิบอัติกะคําว่าอัติกะอสุภากรรมฐานนี่หมายถึง ทราบที่มีแต่ร่างกระดูกหรือแต่โครงกระดูกเช่นอย่างโครงกระดูกที่โรงพยาบาลสงฆ์ทําไว้โครงหนึ่งกด็ดีหรือที่ศิริราชพยาบาลกด็ดีอันนี้เรียกว่าอัตติกะอสุภกรรมฐานหรือศพที่เราเก็บเอาไว้ในโกรเป็นศพของเป็นอัตติของบรรพบุรุษจะเป็นปู่ย่าตายายของเราเป็นมารดาบิดาก็ตามอย่างนเรียกว่าอัตติกะอสุภกรรมฐาน